ก็แบ่งๆใจมาฟังเสียงนี้ด้ว ย, เ, ยเสียงมันก็จะตีกันนิดนึงบางทีเสียงที่ต้องการให้ฟังมันก็ยังไม่ได้ฟังจนกระทั่งเจ้าคณะจังหวัด เ, เมื่อก่าววันเาที่ผ่านมาก็บอกวัดตระรวัดเนี่ยต้องรีเสียงนิดนึง เพรเสียงของเราทำบัตรจดมนเวลาเทศมันไปทําให้ชาวบ้านก็ราคาญเพราะันวัตถุวัตต้องระมัดระวังเรืองกันใช้เสียงด้วยเมื่อเราไม่ใช้เสียงกระจายไปดังๆเสียงชาวบ้านก็ต้องเข้ามาธรรมะนิ่มเป็นเสียงของภายในที่เราต้องหันกลับมาฟังภายใน คนพูดขนาดไหนเป็นธรรมะแต่ว่าถ้าไม่อยากฟังนะมันไม่อยากฟังไม่สนใจมันก็ปราบประโยชน์เหมือนกันเราก็จึงต้องเรียกว่าตั้งใจตั้งใจดีก็ได้ปัญญาสุดเสียสั่งแล้วแต่ปัญญังตั้งใจฟังได้ดีก็เกิดปัญญาขึ้นมาโดวยเฉาวันนี้เราตรวจกับเรื่องของปัจเจก ปัจเวกขณะเรื่องของปัจ จ, จัยสี่ก็ให้ตีความหมายชัดเลยอะไรที่ขนกหวยมาโดยไ ม, ไม่ชอบก็ว่าไม่ชอบคือโดยศีลมันมีข้อกำหนดตามวินัยมีข้อกำหนดเรียกตัณหาทั้งหมดกิเลสพาทำความหลงพาทำแต่อะไรที่ใดมาโดยทยยี่ญาติโยมให้แล้วเรานิ่งอยู่เราไม่ได้แสดงวจีวิญญาณ กายวิญญัตหมายถึงคำพูดที่ดูน่าสงสารน่าสมเพชการทำตัวมสออให้ควรเห็นแล้วก็รู้สึกสังเวชใจสงสารเกิดการใหนะ้ก็คือเราก็ใช้ชีวิตอย่างปกติตามีตามได้ทดี่ได้มาโดยไม่ได้ร้องขอนะเช่นข้าวบินาบาดได้มาโดยไม่ต้องร้องขอ เสนาสนะเนี่ยได้มาโดยไม่ได้ร้องขอญาติโยมเกิดเห็นมือตาจิตมีกระตันอยูกตาเวททีตาองก็เห็นว่าเออพระสงฆ์อยู่ยากลำบากเหลือเกินอย่งแต่จริงๆพระสงฆ์ไม่ได้อยู่ยากแต่ว่าญาติโยมมองว่าถ้าตัวเองมาเป็นอย่างนี้อยู่ยากการขวนขวายก็เป็นบุญเราก็ถือว่าเป็นลาบเป็นลาบลาบสการละ แต่เรามุ่งหวังแก้เรื่องราบสกาแล้วก็เป็นแค่กิ่งแก่ใบไม้นะต้นไม้มีแก่นคือวิมุตต์หลุดพ้นนะเพราะฉะนั้นการที่เราอยู่ให้เขาเลี้ยงง่ายก็ต้องปัเนะจเจกเสนาตนามมีตามได้อาหารตามมีตามได้นะเครื่องนุ่งหม่มผ้าบางสกุลต่างๆ ต, ตามมีตามได้โดยยารักษาโรค ก, ก็ตามเราไม่ได้ฝนกว่ายนะแล้วก็มีลักษณะของ ายารักษาโรคที่เรียกว่าน้ ำ, ม, นำมูดน้ำมดเน่าพระสงฆ์หรือว่าเกิดจากใบไม้ที่พิจารณาแล้วเพื่อกินได้ไหมเป็นยามีการประเบกมีความรู้เช่ น, นหนาวๆต้องพืชตามฤดูกาลเป็นของขมพวกสะเดาพวกมะละพวกดอกแคมะลุมอะไรานะี้ ว่ามีพวกท่านเหล็กเกิดจากกล้วยหัวปลนะีเกิดจากต้นกล้วยนะมันก็จะมีสรรพคุณของมันมากมายนะแหละธาตนะุอันนี้ก็ เ, เรื่องของภูมิปัญญาบรรพบุรุษที่ท่านนะได้แสดงออกนะเรากว่าจะโตมาได้เรามีสัญชาตญาณของเรานะอะไรจะไม่เราอยู่ได้นะอยู่รอดปลอดภัยล้วก็ เขาไกสิ่งนั้นโดยปัจเจกเพราะฉะนั้นเรามาอยู่วัดอยู่ว่าออกจากเรือนไม่เกี่ยวข้องได้เรือนแล้วเราก็อยู่อย่างต่ําทํางานอย่างสูงอยู่อย่างต่ําก็คืออยู่ง่ายๆตายมีตามได้ตามเรียกว่าสมณะสารลูบทีนี้ลักษณะของทํางานอย่างสูงก็คือการฝึกภาวนา คำว่าภาวนาคือการเรียนรู้เรื่องกรรมฐานไม่ว่าจะเป็นสมถกรรมฐานเรื่องวิปัสสนากรรมฐานนี่าที่วัดป่าสุตโตเราก็รู้ชัดว่ า, าเราฝึกวิปัสสนากรรมฐานให้จิตมันเกิดการตื่นรู้ขึ้นมามีความว่องไปมีสติที่เรียกว่าสติปัฏฐานสติที่ต้องไปในกายในใจเป็นสติปัฏฐานสติ รู้กายรู้ใจดูกายดูใจเห็นกายเห็นใจเป็นสติปัฏฐานมันจะเป็นลักษณะของปัญญายานเป็นยานทัศนะทัศนาทัศนะก็คือมันเห็นตัวเราเห็นธรรมชาติของตัวเรานี่ที่เป็นอาชาธรรมชาติของกายของใจเราที่มันมีอยู่เป็นต้นเป็นก้อนเป็นหมวดเป็นหมเห็นตามความเป็นจริงเห็นกายเห็นอาการของกาย ก่อนเราไม่ได้เห็นกายไม่ได้เห็นหน้าการของกายเตลิดว่ามันเป็นก้อนทุกข์เราก็ปนเปื้อทั้งวันบำรุงบำเพลอ์บำรนะุงนี้ยังพอทนแต่ว่าบำเรอก็คือมากเกินไปมันจะมีลักษของการเจ็บติดเกิดขึ้นมานะเจ็บติดในเรื่องของวัตถุนิยมบริโภคนิยมเนะงาะคนขวายนะถ้าอยู่อย่างเต็มทางานอย่างสูงก็ต้องรู้เท่ารู้แทนมัน ถ้าด้อยู่อย่างสูงทำงานอย่างต่ำก็เลยอยู่วัดอยู่ว่าทำงานแบบโลกโลกนั่นะอันนี้ก็แน่นอน้อยฟันธงได้เลยนะแต่อย่างคนกวายเรียกว่าอยู่อย่างสูงทำงานอย่างต่ำอยู่อย่างสูงคือได้มาโดยบุญนะความมีน้ำใจนะใจดีเอื้อเฟื้อเผื่อแผนะ่คนก็มองเราสูงว่าอยู่ป่าอดอยากนะก็บบุญเลยให้ปัจจัย4 5, 6, 7, 8, ี่ห้าหต่าง อาหารการกบฉันนี่ไม่ไหวไม่ไหวและยิ่งรู้ว่าที่นี่เป็นภาคกรรมฐานพายายโยมฝึกกรรมฐานญาติโยมก็เป็นผู้ที่ฝึกกรรมฐานใช้เครื่องแบบนอกเครื่องแบบพระเป็นนักเรียนในเครื่องแบบแม่จีเป็นนักเรียนในเครื่องแบบแตญาติโยมเป็นนักเรียนเลือนอกเครื่องแบบเรามาเข้าสู่สถาบันมัดปา่าสุขโตเรียนรู้ชาเดียวกันคือการฝึกกรรมฐานรู้สึกตัวรู้สึกตัวออกจากความคิดคิดแล้วโลกคิดแ ล, ลด้วโกรธคิดแ ล, ล้วหลงคิดแล้วรักคิดแล้วชัง และอิชาลิษยากิเลสตนีขีเหนียวกิลามายาส า, าไถ่เห็นผิดเป็นเจ้ต่างๆเราก็มาเรียนรู้กันออกจากความคิดเป็นวิชาเดียวกันมีรูปแบบให้ฝึกมีรูปแบบให้หัดรูปแบบสิบสว่ยังไงตรงไปตรงมาเราก็ลองมาหาลายแล้วอห็นทําทไมต้องฝึกอย่างนี้ไม่ฝึกได้ไหมฝึกกับมันผิดไม่ฝึกกับมันถูกแล้วก็ถ้าทำแสดงว่าเป็นกรรมซ้อนธรรมต่างๆ นี่ไม่ใช่คำพูดของตัวเองเป็นคำพูดที่เคยได้ยินได้ฟังมาจากเจ้าสำนักที่ท่านก็มีความเห็นของท่านและเราก็ไม่ได้มองว่าผิดก็ถูกแบบของท่านแต่ของเราเนต้องฝึกสติปัะฐานนกันให้ชำนาญมันจะได้กลับมาหาที่พึ่งหาหลักของชีวิตเราหลักกรรมฐานมันมีอยู่ก็คือการเห็นกาย <c oughs> นะมันมีรูปแบบเพื่อจะให้มัน เปิดความชํานาญทํานอกรูปแบบเป็นตัวนี้นเป็นกรร ม, มาฐานมันอยู่เหนือดีเหนือชัว่วจริงๆกรร ม, มาฐานเหนือกรรมดีเหนือกรรมชัว่วจิตของเรามันจะคิดนะเป็นลนักษณะของอาการของจิตธี่ลววะกรรมคิดดีคิดชัว่วคิดบุญคิดบาปคิดสุขคิดทุกข์นีเป็นพฤติกรรมมโนกรรมมันเป็นนมธรรมมันก็เลยเป็นเรื่องของกรรมดีกรรมชั่วที่คิดแล้วก็พูดคิดแล้วก็ทำ คิดดีมก็พูดดีมก็ทําดีถ้าคิดไม่ดีก็พูดไม่ดีทําไม่ดีก็เป็นบุญเป็นบาปอยู่ตรงนี้เราก็จะได้เห็นกระแสกระแสของความคิดเป็นอาการของรูปของนามต่างๆแสดงออกมาให้เราได้ฉลาดก็เลยพัช น, นามเกิดขึ้นมามันก็ลืมหูลืมตาไม่ต้องเห็นความจริงก็ตื่นตาตื่นใจมันเห็นแล้วมันตื่นมันตื่นทุกเมื่อก่อนมันเคยตื่นโนกตกใจตื่นบนกิเลส ตือนโตมอะไรนี่อะไรก็ตื่นจิตตื่นขึ้นไหแต่ตอนนี้มันตื่นแล้วนะเตือนรู้มันตื่นรู้ขึ้นมามันเห็นทุกข์มันตื่นทุกข์แล้วก็ตรงนี้แหละมันจะสนุกอย่างเช่นมเมื่อเช้านะมีเพื่อนๆไลฟ์ฟังพร้อมเขียนท่านเทศถึงว่าเออกรรมฐานนี่มันสนุกนะถ้าทําเป็นนะมันก็เป็นอย่างนั้นแหละมันสนุกเวลาไปเชิญการลมนะันเราไม่ค่อยสนุกกับมัน เมื่อสมัยที่เราไม่ฝึกสติไม่มีกรรมฐานไม่มีวิชาวิปัสสนากรรมฐานเราจะหลบกบดานหลบไปก่อนหลีกไปก่อนไม่พร้อมมาเชิญเก็บเนื้อเก็บตัวก็วุ่นวายแล้วก็ออหลีกหนีเจอคนที่ไม่ชอบเราก็เดินหลบมันไม่พร้อมมาเชิญแต่เป็นวิปัสสนาปั๊บนะอารมณ์อะไรมามก็เออก็เห็นอยู่รู้อยู่ก็รู้มันอยู่ใจเราก็ไม่ได้ทุกข์อะไร มันก็พร้อมที่จะเห็นจริงเหล่านั้นมาเองไปเองเราแพ้ภัยไปเองนะเราก็ให้อภัยอยู่แล้วนะไม่มีภัยเพราะเราอยู่แล้วนะการคิดการพูดการทํานะเราก็ไม่ได้เบียดเบียนตัวเองไม่ได้เบียดเบียนเพื อ, อื่นเพราะาเราดูอยู่รู้อยู่รู้สึกตัวอยู่เรามีหลักของกรรมฐานอยู่นะเราเลยได้เห็นนะความจริงนะตรงนี้เรามันสนุกเหนะมือนกับคนที่ไม่เคยว่ายน้ําเป็นอย่างนะี้ เ um ห so az, s <S ็นน้ำก็กลัวน้ำเห็นคลื่นก็กลัวคลื่นพอว่ายน้ำเป็นแล้วก็เริ่มเห็นคลื่นลงไปแล้วก็รู้จักเออดำยังไงคลื่นมันผ่านยังไงจนทางเออมันมีอุปกรณ์มีกระดานมันกลับว่หาคลื่นเด้๋ยวดไปเดี๋ยวคลื่นมาเราสนุกแหละกระดานโต้คลื่นนะหรือมีรถดีๆสักคันลุยน้ําก็ได้หรือว่าขึ้นภูเขาก็ได้เข้าเมืองก็ได้เข้าป่าก็ได้โฟว์วิได้ มันพร้อมสะเินสุกสะเทินทุกอย่างเนี่ยนะเราเห็นแล้วอจิตปกตินี่มันก็เหมือนอย่างนั้นมันเหมือนโฟร์ได้สุกกระได้ทุกกระได้มันก็รู้อยู่ลํากรผ่านไปทุกกระได้มันก็รู้อยู่แล้วกระผ่านไปมันสนุกตรงนี้มันเห็นความจริงนั่นก็จึงเป็นเรื่องของใครของเราที่จะต้องเรียกว่ามีเรียนรู้มีประสบการณ์ตรงกั น, น, นตรงนี้แล้ที่เราจะต้องไปวิเบกสักหน่อยอย่าไปสนใจเรื่องโลกโลกนัก มีสำนักหนึ่งที่ว่าเนี่ยก็ให้อยู่อย่างสบายๆนะไม่ต้องทําอะไรกรรมฐานก็ไม่ต้องทำํำถ้าทำมือถือเป็นกรรซ้อนทำมีการกระทําแต่ละบอกเออทาไมทํากรรมฐานก็เป็นกรรมกรนะหาอย่างอื่นทำกันมันก็หาอะไรทําแบบที่มันขาดมาสมัยก่อนบวชขาดสิ่งไหนก็หาสิ่งนั้นเติมอย่างเี้ยก็อยู่แก่นั้นเองแต่พอมันทํากรรมฐานปั๊บมันจะรู้แล้วว่า อ, อ, อยู่อย่างต่ําทํางานอย่างสูงคือ รนะะมั่นระวังในการใช้ชีวิตปัจเจกเลยนะสำคัญนะอะไรที่มาด้วยบุญนะมันระมั่นระวังทีเดียวนะไม่อย่างนั้นมันจะกลายเป็นโทษทันตะีเระมั่ระวังนะการกินการอยู่นะอยู่ให้เขาเลี้ยงง่ายไม่ถึงการบาเลอตัวเองนะเรียกว่าพระนะพระนี่ต้องพร้อมนะช้างวันพีฤษีพร้ อ, อมนะเหมือนกับพระนะพระก็ต้องพร้อมเนะี่ก็เลยอยู่แบบชันมือเดียวบ้างนะ เราเลือกแต่ฉันผักไม่เอาเนื้อสัตว์เข้ามาบ้างมันเบียดเบียนกันนะ้กอยู่กอาการคิดวิธีคิดต่างๆนะเป็นลนักษณะของปัจเวกก็คือมีสติอการคิดอย่างแยบคายนะนะความรู้สึกตัวเป็นเรื่องของสติปัญญานะที่มันจะพาให้เราใช้ชีวิตดำรงชีวิตนะแล้วก็ผ่านมีความพาสุขแล้ววิวมุตติหลุดพ้นนะนะจากสภาพของกรรมต่างสภาพของธรรมต่าง ที่มันเป็นเรื่องของกุศลอกุศลมันมีอยู่เป็นธรรมชาตินี่แหะนะความรู้สึกตัวมันเป็นปกติมันก็เหนืออยู่แล้วนะเหนือทุกสิ่งนะเราก็จึงเลยว่าต้องทําความเข้าใจนะเข้าถึงตัวสัมผัสรู้ความรู้สึกตัวนะให้จิตใจมันอยู่กับกายมีสติผูกกันโนะยกกายจอตั้งนะมันก็วัวนทั้งวนันปกติได้มากท่าที่จะมากไดนะ้ถ้ามันไม่ปกติก็แสดงว่าออการปรับจิ ต, ป ร, จตปรับใจหรือว่า เรของความสมดุลความเป็นปกติความเป็นกลางมันยังไม่ค่อยมีถ้ามันมีแล้วเราเห็นว่ามันผ่านง่ายๆนะอันนี้ก็ต้องอาศัยอินทรีย์หปละห้สักหน่อยอาศัยแล้วองของกําลังศรัทธาไม่มีเรื่องการเป็นบัตรก็ให้มีขึ้นมาโลลามพึ่งได้จริงๆก็จะเกิดศรัทธาขึ้นมาเมื่อเชื่อสิ่งไหนจิงก็จะไปหาสิ่งนั้นมันทํามันมีความสุขอยู่ตรงไหนมันก็จะไปหาก็ตรงนั้นสุขเรื่องอะไร มันมีศรัทธามีความเชื่อคืบบมัมก็เกิดปัญญาด้วยนะมารู้จะรักษาอย่างไงจะกลับมาหาหลักอย่างไงได้ว่าวิทย า, ากรรมฐานกลายเคลื่อนไหวใจรู้มันจะมีหลักเมือ น, นได้หลักมันก็จะเกิดการภาวนาหรือว่าพัฒนาให้ต่อเนื่องเชื่อมโยงนะเพื่อได้เหมือนกับว่าเรียนจบเรียนจบเป็นใหม่ๆ ม, มันก็รู้นะจํารู้จัก รู้จำมามันเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้มันรู้จักมันคิดรู้อย่างเงี้ยครับมันก็เริ่มปฏิบัติขึ้นมามันก็เริ่มสัมผัสนะมันก็เริ่มรู้แจ้งเป็นเรื่องๆราวๆตามกําลังของตาในกําลังของสติของปัญญาอย่างเงี้ยมันจะเริ่มเห็นกลเห็นใจเห็นอาการต่างๆโอ้มันก็แจ้งออกมาจริงๆเมื่อรู้สึกตัวเห็นกายเคลื่อนไหวอย่างเงี้ยจิตนก็ปกติไม่ปกติใจมีความคิดบ้าง ลงเียไปรับใช้ทางทะวนันตาหูจมูกลิ้นกายใจต่างๆเห็นอาการว่าไหวบูบไหวไปหรือว่าแบบวับมองขึ้ไปอย่างนั้นจงกระทั่งเหมือนกับว่าเราก็ได้เห็นอาการของจิตไปรับใช้ทะวันนั้นบางทะวันนี้บางตะวันนู่นมีสติเป็นนายตะวันก็เลยอ๋อรู้สึกรู้สึกรู้สึกสติมันจะรับรู้ความรู้สึกตัวรู้ความรู้สึกตัวตัวกายตัวใจ กายจะสังขารจิตตาสังขารจะรู้ชัดแห ล, ละในแหละตรงนี้ยและที่เร า, าสนุกมันจะมีความสนุกจนกระทั่งเหมือนกับว่ามันตื่นตาตื่นใจมันรู้สึกยิ้มแย้มแจ่มจใสขึ้นาจากภายในใจมันยิ้มมันก็รู้สึกว่ามันมีความสำเร็จขึ้นมาตามกำลังของมันมันก็เราทํางานเดือนแรกมีความสำเร็จได้เงินเดือนมาเดือนที่สองเออพอกินพอใช้เหลือเก็บด้วย เดนที่สามสีห้ารารู้สึกว่างานการมันมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นมันก็จะเห็นแบบนั้นและมันรู้สึกว่าเออมันจํานานคล่องตัวขึ้นในการเดินทางจิตทางใจเหมือนกับเราใช้ชีวิตดารงชีวิตนี่แหละอันเดียวกันแต่ว่ามันเป็นรูปธรรมเป็นนามธรรมมันก็จะมีดานกาันเราหลายด่านใหม่ๆก็ต้องเหมือนกับว่าทําบุญทําทานจนทั้งมีอะไรก็ให้ให้ให้ให้ให้ให้ใหใหไป เพ่ให้มีภาระไม้มีความกังวลอย่างเงี้ยมีอะไร ก, ไกรไ็ได้มากระผ่านไปได้มากระผ่านไปตามลักษณะของเหตุปัจจัยที่มันมาให้เราได้ให้อย่างเงี้ยให้มาผ่านไปให้มาผ่านไปอายะสมุทาต้องเห็นว่าจิตปกติมากขึ้นเรามีศีลมากขึ้น <c oughs> อยู่โดยความสมบูรณละวันไม่ได้เบียดเบียนตัวเองไม่ได้เบียดเบียนผู้อื่นทางกายวาจาใจอย่างเงี้ยมีความรู้สึกตัวมีศีลปรากฏขึ้นมาจิตปกติขึ้นมา อันนี้มันคือการรักษาศีลกายปกติใจปกติวาจาก็ปกติออกตัวปกติมันเป็นอย่างนี้เราก็เห็นเรออกศีลปรากฏขึ้นไหมมีกําลังตั้งมัน่นเห็นความตั้งมัน่นแล้วก็เป็นแล้วนะของสมาธิที่เป็นสมมสมาธิตั้งมัน่นแล้วก็ถูกนะคือมีความสุขอยู่ตรงไหนสมาธิตัวนี้นจะไปตั้งมั่นทันทีถ้าเราเป็นนักกรรมฐานเรารู้สึกเอออยู่กับตัวเองมีความสุขประโยชน์ตนมันเกิดขึ้นมาเราเห็นความจรงิงเกิดมา สมาธิตั้งมั่นมันก็จะอยู่กับกายเนี่ยแหละอยู่กับรูปรขันธ์ของเราเนี่ยแหละรู้สึกว่าเป็นลัณะของเครื่องระลึกหรือว่าการสัมผัสที่หยาบแลก็มีความชัดเจนสูงจะดูเมื่อไหร่ก็ได้ลำเป็นความจริงตลอดเวลาเวลาเลยะตอนต่ตื่นยันหลับและหลับแล้วก็แล้วกันอย่างนี้อันนี้ความคิดมันเป็นของละเอียดอย่างนี้นะเราก็ได้เห็นอ๋อมันมีลักณะของจิติมปรุงแต่งด้วยมยาเห็นลองเห็นลอยเห็นสมมติฐาน เห็นเหตุของความทุกข์ที่เกิดจากการคิดชัดเจนนะเพราะไม่รู้สึกตัวพราญเข้าไปในความคิดนะเพราะไม่ทันความคิดเพราะไม่รู้สึกว่ามันคิดเงี้ยไม่ทันจริงๆแต่พอมันทันขึ้นมามันก็เห็นแล้วโอ้มันแยกกันเนี่ยระหว่างความคิดกับจิตมันแยกกันความคิดเป็นแค่าอาการของจิตของใจเราแต่ว่าจิตใจเรามีจิตที่มันรับใช้ทางตาหูจมลิ้นกายใจอนี้เป็นธรรมชาติของมันแลยจิตที่มันว่างว่างวาง เวลาของจิตที่มันเป็นจิตเดิมๆที่มันตื่นๆธรรมดาธรรมดาก็มันมีเยอะธรรมชาติของจิตเดิมๆมันมีเยอะเราก็เห็นแล้วอมันก็เลยเหมือนกับว่าได้คําตอบแล้วปฏิบัติธรรมมันก็เดินทางเป็นขั้นเป็นตอนเป็นขั้นเป็นตอนเป็นขั้นเป็นตอนเป็นตอเป็นระของภาวนาเกิดขึ้นมาแล้วกาเนี้ยจิตมันก็มีที่อยู่มีลระนาของภาวะผู้ดูขึ้นมาผู้ดูสภาวะผู้ดู เป็นที่อยู่ใหม่คือภาวะปกติของจิตนะมันก็สอด ส, ส่องธรรมเห็นธรทำนะเกิดทำรรมารวิยะขึ้นมานะเห็นทำรร ม, มาที่มันเกิดขึ้นตามความเป็นจริงนะเกิดดับเกิดดับเกิดดับเกิดดับเป็นาการทั้งวันนะเนี่ยตัวนี้ที่แล้วว่าจิตมันสูงขึ้นอยู่อย่างต่ำทำทำงานอย่างสูงนะทํางานไม่ใช่แบบคนแบบปุถุชนทั่วๆไปนะบทเป็นพระมาแล้วมาอยู่วัดไม่ได้ทํางานแบบยมยมหรอกเชื่อเลยนะไม่ทํางานแบบพระ แต่มันจะทํางานเป็นประโยชน์อยู่บ้างเช่นนะเขาร้องขอเช่นญาติเนี่ยญาติร้องขอเขาไปทำงานกับญาติอย่างรัชพงเขียนละเอียดชัดๆนะีอย่างเช้านั่งชันด้วยกันเตือนกระถามเออเปไ็นไงเนยก็บอกไปไปเผาเอา่อไปไปลอยอังคารญาติมาเนะีนะ่ยเผาเสร็จนะแล้วก็ลอยอังคารนะแล้วก็เอารูปให้ดูเนะี่ยไปลอยบางจริง ไม่ใช่แค่คำพูดเนะี่ยถ่ายเก็บไว้ด้วยอย่างเงี้ยตังเออ เ, เป็นยาตัทธกิริยาเราก็ใจเนะมื่อก่อนเป็นนะ้าของอัทธนะกิริยาคือเป็นนะ้าของเป็นกิริยาอาการที่เป็นประโยชน์ตนของตัวของตนมันก็เป็นประโยชน์ท่านต่อญาติต่อโลกนะให้มันเกิดแล้วนะของประเพณีที่มันเป็นว่าทําอันดีงามที่สืบทอดนะทําให้ประชาชนคนทั่วไปได้หลักในที่พึ่ง มันจะโยงไปแบบนั้นประโยชน์ตนประโยชน์ท่านไม่ต้องร้องขอแต่เราไปเพราะว่าเห็นว่ามันเกิดประโยชน์อย่างนี้ก็ไนดะ้เดินไปโดยสตินะไปโดยที่เราไม่คิดว่าจะเบียดเบียนกันซึ่งกันและกันนะอันนี้นเป็นเรื่องของแลาสตินะสมยัญญะที่มันจะเกิดขึ้นนะถ้าอยู่แบบเหมือนกับว่าไม่ทำอะไรสักอย่างหนึ่งเลยเนะีนะ่ยภาษาธรรมะ ก็ S <S <an> มีเรียกกันว่าปัดเจกแบบปัดเจกชนปัดเจกบพูดพวกนี้จะอยู่แบบไม่เอาใครดังนั้ น, นอันนี้จะอยู่ก็ได้แต่ว่ามันเป็นลษณะที่ว่าเราอยู่โดยผู้อื่นอยู่โดยให้เขาเลี่ยงง่ายอย่า้เราะเราก็จําเป็นละล่ะที่จะต้องทําประโยชน์ตนให้ปรากฏเราจะกระทั่งให้เป็นประโยชน์ท่านได้หรือว่าประโยชน์ท่านนี่ก็พูดถึงเรื่องกรรมฐานกันยุคนี้นี่ไปที่ไหนที่ไหนก็จะพูดถึงเรื่องของกรรมฐาน มีสำนักต่างๆเกิดขึ้นมากมายมีโยมมานั่งเทศคราวนี้ก็เป็นลัษณะที่โบราณท่านบอกว่าหัวโลนอยากลำหัวดําอยากจะเทศนะก็คือหัวดําก็จะทําแบบพระนะอยู่แบบพระถือศีลเคร่งครัดอย่างนี้นนะส่วนพระก็จะทําแบบโยมยตีลอ้องกรองเป่านะทําอะไรก็แบบคารวะญาติโยมนะตีสีตีเป่าที่ไหนไปที่นั่นนะมีอะไรกระทึกกึ่งโคมที่ไหนไปที่นั่นมีมหโระจบที่ไหนไปที่นั่น มีเสพาที่ไหนไปที่นั่นเขาลบที่ไหนเขาตีรันฟันแทงที่ไหนเอาไปที่นั่นอย่างเงี้ยแล้วในนี้นก็จึงมีระเบียบวินัยต่างๆมากมายเหลือเกินมาเป็นกรอบให้เราได้เหมือนก็ว่านะอย่าออกนอกกรอบอยเป็นการขูดเก่ากั น, น, นเราจึงต้องนะเรียกว่าเรามาะระวังกันพอสมควรอวัดป่าสุกตัวเรานะมันเป็นลักษณะของสิ่งที่มันจะต้องเข้ามาเรื่องของคารวะญาติโยม ที่เขาทํากันมันจะเข้ามาในวัดมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเราต้องเห็นภัยตัวนี้ด้วยภัยนะที่เกิดจากลักษณะของออสังคมนิยมนะแล้วมันเข้ามาในวัดเคยมีความนิยมแตกต่างกันมากมายบางทีมก็จะแหกกรอบแหกกฎของจารีตประเพณีอันดีงามแบบดั้งเดิมเงี้ยมากมายแล้วเกินเราก็จึงต้องคลยๆก็ว่าให้นะมีความรู้สึกตัว ก, ก, การเคกอนการไว้นะ อยู่ทั้งวันนั่นแหละแล้วก็ว เ, เห็นจิตใจของเราเรามันคิดมันนึกทั้งวันนั่นแหละแลา ม, มีรูปรสกลิ่นเสียงเกิดขึ้นมาชักชวนโฆษนาเชิญชวนต่างๆเราก็ต้องระมัดระวังนะคือข้อสอบทั้งหมดนะถ้าเราตามสิ่งเหล่านั้นก็สอบตกนะแต่ว่าทําเรามีความเป็นปกติแล้วเราก็เหมือนกับว่าไปแบบมีสตนะิอันนี้ก็จะไม่เออกระเหลือไม่เฮฮาจะไปมีความสํารวมอันนี้ถ้ากเราไปเผยแผ่ศาสนาอันนี้ดี ไปด้วยความสำรวมระมัดระวังไม่ทําแบบฆรวาสญาติโยมไปไหนก็ยังเดินจงกรมอยู่แต่ว่าออกนอกสถานที่อันนี้ก็ไม่เป็นไรมีการเคลื่อนไหวไม้ไหวมือหยิบนั่นจับนี่แทนที่จะ14จังหวะเราก็สามารถที่จะรู้สึกตัวได้อันนี้ก็ดีก็เรียกว่าจิตใจของเร า, าสามารถฝึกเป็นอัตโนมัติได้แล้วอันนี้เราจะไม่ทุกข์เลยแล้วกลายเป็นเรื่องที่เรามีความสุขยังไงไม่ทุกข์ยังไงเราก็จะแบ่งปันละ แบ่งปันกับคนที่เราเห็นว่าสมควรแบ่งปันคนที่ใกล้ตัวที่สุดเงี้ยเป็นตน้นนะคนที่เข้ามาร้องขอเนะข้ามาวัดมาว่าแล้วสถานที่ว่า <c oughs> จัดกลุ่มกันมาขอนะให้วัดป่าสุขโตึงชื่อว่าเป็นนะวัดดีเด่นในจังหวัดชัยภูมนะิเป็นหนึ่งในสี่เอ ว, วัดนะทั่วประเทศไทยที่สามารถที่จะสอนเรื่องกรรมฐานได้อย่างนะเรียกว่ามีอิสระเสรนะีไม่ถือว่าผิดกฎหมายของพระอะไรเงีนะ้ยไม่ได้สอนผิด ทิศผิดทางคนก็นพุงเป้ามาเพื่อที่จะเรียนรู้เรื่องกรรมฐานกั น, นเยอะนะมาทางอินเทอร์เน็ตเว็บไซต์ต่างๆรัวก็บอกต่อกั น, นว่าวัดป่าสุโโตนี่สามารถที่จะฝึกคนให้ออกจากทุกได้จริงหรือว่าสถานที่ของวัดป่าสุขโตนเนื้อที่ประมาณ562ไร่นะนะสามารถที่จะใช้พื้นที่นีนน่้สามารถที่จะทให้เราออกจากทุกได้จริงนคนก็มาใช้ชีวิตกัน การใช้ชีวิตที่วัดป่าสุขตเราก็จึงนะเรียกว่าทําให้เกิดประโยชน์สูงสุดกันเกินะนไหวรู้สึกเกินไหวรู้สึกมีทางเดินจงกรมตามกุดบ้างหนะรือว่าทางลานหินโค้งบ้างนะที่นั่งสร้างจังหวะเราก็ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแนะทางเดินรอบสะเวลามันแน่นติดขัดหนะรือว่าที่นั่งอยู่กลางสะน้ําตรงนั้นนะถ้าติดขัดนะีก็ไปเลยนะนั่งผ่อนคลายเดินผ่อนคลายสักสองรอบสรอบ มันก็มีที่เดินแต่พอดีที่นั่งแต่พอดีนะที่นอนแต่พอดีที่ครบฉันอาหารแต่พอดีห้องน้ำห้องทาน้าไฟก็สะดวกเราใช้พื้นที่นะเป็นการดูกายดูใจของเราฝึกจิตเนะนี่ยเรว่าอยู่อย่างตางทำงานอย่างสูงกันนะออกจากเดินไม่เกี่ยวกองดเดินแล้วนะเราก็อยู่แบบมีสมณะสารรูปกันเป็นบรรพจิตเราก็ไม่เหมือนกับว่าขนะนกว จะต้องขนไกวก็เรยวชันทะมีความพอใจที่จะทําก็คือนะรู้สึกตัวแล้วก็ใช้เล่าหนะของกิจวัตรประจําวันของเราตื่นยันหลับตามกฎตามข้อกําหนดที่เราร่วมตกลงกันไว้ตั้งแต่ดั้งเดิมตื่นกี่โมงแล้วก็มาทําวัดร่วมกันกี่โมงขบชั้นกันกี่โมงวันให้เราเจอสักสองครั้งตอนตอนทำวัดตอนไหนก็ได้เจอกันเช้าก็ได้เย็นก็ได้แล้วเวลารับประทานอาหาร จะ ไ, ได้มีการเหมือนกับว่าแกลมให้มันผ่อนคลายไม่งั้นเดี๋ยวมันจะอยู่ยากนะสิ่งที่ทําให้อยู่ยากที่นี่อนะันหนึ่ง อ, อ, อาการที่เราปรับตัวเข้ากับธรรมชาตนะิอากาศที่มันหนาวแล้วชื้นนะแล้วก็มียุงมีมแมลงมีหมามุ่ยมีลักษณะของสัตว์ที่มีพิษทำนะมันกัดบางคนก็แพ้น้าเหลืองก็เยิ้มขึ้นมา บางคนก็อยู่ยากกลับบ้านดีกว่างี้ก็มีบางทีก็มีไขล้ลุมๆนะเช่นอากาศมันหนาวหนาร้อนๆเชื้นๆฝนๆอะไรนี่แห้งๆนะมันจะลุมๆถ้าใครไม่ค่อยได้เคลื่อนไหวออกลังกายจะจับไข้ทันทีเพราะฉะนั้นการที่ให้เหงือ่อซมทุกวันเนี่ยควรทำนะอยู่วัดอยู่วาโดวยพระที่สุกโตเนี่ยนะควร ท, ทําทีเดียวเดีย๋ยว น, นี้เพื่อนของเราเนะี่ยกลับไปก่นหนึ่งบอกว่าจับไขล้ลุมๆมาเป็นอาทิตย์แนละหลายวันที่ผ่านมาก็ต้องกลับไปก่อนเนี่ย อันนี้เป็นเร่องหน้าข้อสอบนะจริงๆแล้วเป็นเรื่องของคันธามันคันธามา น, นะ น, มานถ้าเราอยู่ต่อปรับจนกระทั่งมันผ่านนะอันนี้มันจะมีวัคซีนในอินทรีย์แก่กล้าขึ้นมาลุงนะที่จะมีการท้องเสียนะวัดป่าสุกตเนะี่ยเมื่อก่อนนะท้องจะเสียกันทุกคนแล้วก็เป็นเฉพาะคนใหม่ด้วยถ่ายโดยไม่ต้องมีสายเหตุอะไแล้วจะผอมบักโกรกไปเลยนะนะเรียกว่านาดําผอมโซแต่ว่าปัจจุบันนี้มันดีขึ้นมาก เรื่องของอาหารติดเชื้อไม่ค่อยมีเมื่อก่อนเป็นน้ำพริกนะทำกันแบบง่ายๆแล้วก็เชื้อโรคมันเยอะเดี๋ยวนี้มันสะอาดขึ้นเรื่องอาหารเป็นพิษไม่ค่อยมีแต่ก็ยังมีอยู่ถ้าชาวต่างประเทศเข้ามานะอันนี้แน่นอนเลยนะท้องเสียเป็นประจำอีกอันนึงสิ่งที่จะทําให้อยู่ไม่ได้ก็คือเรื่อของตัวการจรลสติแนวปฐาเอสติปัฏฐานแนวหลวงพุทเทียนเดวเคลื่อนไหวนะตัวนี้นี่คนจะแปลกแยกมากนะ บางคนบอกไม่เคยเห็นเลยที่ไหนก็ไม่มีทำกันหรอกแบบนี้ที่มาก็ไม่รู้ว่าที่สุกโตก็ทําแบบนี้นะึกว่ามานั่งหลับตานะยุบหนอปองหนอหรือว่ามานั่งสมาธิอะไรกันแบบนี้หรือว่ามาที่นี่ก็เห็นว่าอิสระดีนะไม่ต้องมาทํา14สชั่งวะ่าเงี้ยพอไปบอกให้ทํานิดเดียวก็ขัดใจก็เห็นวะ่ากลุ่มนี้ก็กลับไปกันเยอะนะถ้าไปจี้มาอะไรก็คือขัดใจเนะพระที่นี่เราไม่รู้กันว่าใครคือครูบาอาจารย์ตัวจริงนี่นะนะเราไม่รู้ว่าสลวงพ่ท่านบอกแล้วเออ ให้อยู่กันไปอย่างเงี้ยแต่นานพอจะรู้ว่าใครเป็นใครก็นานทีเดียวละเพราะฉะนั้นให้เรามองนะแบบมองอย่างกันแล้วก็ทดลองเราหน่าที่จะเรียนรู้กันดูทุกอย่างนะไม่ถือว่าถูกไม่ถือว่าผิดนะใครใครเรียนตรงไหนใครใครที่จะศึกษานะให้เป็นประสบการณ์ตรงของชีวิตเป็นการเติมเต็มก็ทำไปแล้วก็เรียกว่าให้โอกาสกันต่อไปนะเราจึงอยู่กันโดยเมตตานะใครที่จะทาอะไรกันไปก็ว่ากันไปขอให้เพียงว่า ไปถึงการทําให้มันเกิดการเบียดเบียนนักปฏิบัติมากเกินไปถ้าเกิดการเบียดเบียนกันก็มีระบบที่มันจะต้องเข้ามาจัดการกันมีดงก็ต้องมีขาวอย่านัมีล้วนะของมืดก็มีสว่างมีทุกความไม่ทุกมันก็มีลายระเบียบวินัยวินัยมันก็มีเอามาใช้กันอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นความรู้สึกตัวเมื่อเราสร้างผลิตจนกระทั่งมันเกิดขึ้นตัวความรู้สึกเนี่ยมันจะคือวินัยที่เป็นตัวจริงเลย ตัวสติที่เรารู้อยู่มันคือวินยัยนะแล้วก็จะเป็นลักษณะของธรรมะด้วยอยู่ในตัวเบ็ดเสร็จเลยธรรมที่เป็นอกุศลธรรมที่เป็นกุศลที่เกิดจากการคิดก็จะถูกรู้เท่ารู้ทันแล้วก็ถูกเลือกเฟ้นมาใช้นะให้เกิดประโยชน์สูงสุดเป็นประโยชน์ตอนประโยชน์ท่านต่อไปนะมันก็เกิดจากความรู้สึกตัวที่เราผลิตตั้งแต่เบื้องต้นนะการเคลื่อนกันกไ ห, ห้ใจมีสติอยู่กายนะเสร็นะแล้วมันก็จะมีผลลัพธ์เกิดในจิตในใจของเราคือความเป็นปกตินะตรงน้าเป็นที่อยู่ ตอเราเห็นสรรพสัตว์สรรพสิ่งเป็นทั้งสติเป็นทั้งสมาธิเป็นทั้งปัญญาเป็นทั้งทุกสิ่งทุกอย่างเรียกว่าครอบจักรวาลมีหนึ่งเดียวแต่ว่ามันใช้ได้กับทุกเรื่องเลยนั่นนะเราก็ขอให้พวกเราทุกคนทุกท่านได้มีโอกาสที่จะรู้สึกตัวยิ่งยขึ้นไปจนทั้งเห็นทุกเห็นเหตุแห่งทุกจนทั้งเกาลวงจากความทุกได้ตามสมควรแก่การบริโดยตัวนากันทุกท่านทุกคนทั้นเตือน